อัศจรรย์จิตท่านเล่าถึงความอัศจรรย์ของจิตที่เกิดขึ้นในขณะนั้นต่อไปว่าหลังจากภาพภายในดับไปหมดแล้วจิตก็ว่างว่างหมดทีนี้กำหนดดูอะไรก็ว่างหมด มองดูต้นไม้ภูเขาตึกรามบ้านช่องเห็นเป็นเพียงรังๆเป็นเงาๆแต่ส่วนใหญ่คือจิตนี้มันทะลุไปหมดว่างไปหมดแม้แต่มองดูร่างกายตัวเองมันก็เห็นแต่พอเป็นเงาๆส่วนจิตแท้มันทะลุไปหมดว่างไปหมดถึงกับออกุธานในใจว่าโอ้โห จิตนี่ว่างถึงขนาดนี้เชียวนาว่างตลอดเวลาไม่มีอะไรเข้าผ่านในจิตเลยถึงมันจะว่างอย่างนั้นมันก็ปรุงภาพเป็นเครื่องฝึกซ้อมอยู่เหมือนกันเราจะปรุงภาพใดก็แล้วแต่เถอะเป็นเครื่องฝึกซ้อมจิตใจให้มีความว่างช่ำชองเข้าไปจนกระทั่งยับเดียวว่างยับเดียวว่างพอพรุงขึ้นยับมันก็ว่างพร้อมๆไปหมด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 มันมีความสัมผัสสัมพันธ์อ้อยอิง อ, อ, อ, อยู่อย่างละเอียดสุขุมมากยากจะอธิบายตรงกับความจริงได้มันมีความดูดดื่มอยู่กับความรู้อันนี้อย่างเดียวอาการใดๆเกิดขึ้นพับมันก็ดับพร้อมมันดูอยู่นี่สติปัญญาขั้นนี้ถ้าครั้งพุทธการเรียกว่ามหาสติมหาปัญญา แต่สมัยทุกวันนี้เราไม่อาจเอื้อมพูดเราพูดว่าสติปัญญาอัตโนมัติพอตัวแล้วกับที่เราใช้อยู่มันเหมาะสมกันอยู่แล้วไม่จําเป็นจะต้องให้ชื่อให้นามสูงยิ่งไปกว่านั้นมันก็ไม่พ้นจากความจริงซึ่งเป็นอยู่นี้เลยจิตดวงนี้ถึงได้เด่นความเด่นอันนี้มันทำให้สว่างไปหมด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 อมเข้ามาคมเข้ามาหาจิตนี้สุดท้ายเลยรู้เห็นว่าเป็นจิตเสียเองเป็นตัวอสุภะนั่นแหละจิตตัวไปกําหนดว่าอสุภะนั่นแหละมันกลืนเข้ามากลืนเข้ามาเลยมาที่ตัวจิตเสียเองเป็นสุภะและอสุภะลอกตัวเองจิตก็ปล่อยทั้งทันทีปล่อยอสุภะ ข, ข้างนอกว่า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 ตัวจิตนี้ต่างหาเป็นตัวราคะโทสะโมหะทีนี้พอจิตรู้เรื่องนี้ชัดเจนแล้วจิตก็ถอนตัวจากอ น, นันต์มาสู่ภายในพอจิตแย็บออกไปมันก็รู้ตัวนี้ออกไปแสดงต่าหาทีนี้ภาพอสุภะนั้นมันก็เลยปรากฏอยู่ภายในจิตโดยเฉพาะ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 หมดปัญหาไปก่อนหน้านี้แล้วเข้าใจแล้วตั้งแต่ขณะที่มันกลืนตัวเข้ามาสู่จิตมันก็ปล่อยอสุภะข้างนอกทันทีเลยรูปเสียงกลิ่นรสอะไรข้างนอกมันปล่อยไปหมดเพราะอันนี้ไปหลอกตัญหาที่เมื่อเข้าใจตัวนี้ชัดแล้วอันนั้นไม่มีปัญหาอะไรมันเข้าใจทันที และปล่อยวางภายนอกโดยสิ้นเชิง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 เป็นก็เป็นตายก็ตายเอาสนามรบนี่เป็นปราชาสนามรบกับความทุกข์ความทรมานกับกิเลสตัณหาที่เกิดความพุ้งซ่านวุ่นวายต่างๆขึ้นในนั้นฟัดกันในนั้นเลยเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายพอได้ที่มันก็คลึกเลยพอลงได้จังหวะแล้วคลึกทันที ดับหมดเลยโลกธาตุสว่างจ้าไปหมดเลยไม่มีอะไรปิดบังนี้ลับสว่างจ้าไปหมดเลยที่เราพูดถึงเรื่องผีใหญ่ที่มันจะมาตีท่านอย่างนั้นแล้วเห็นไหมหล่ะแบกบเหมือนท่อนเหล็กจะมาตีท่านดังที่เขียนในหนังสือประวัติท่านอาจารย์มั่นนี่หลักความจริง ที่าทาสาี่องท่านได้หลักเกณฑ์ไม่หวั่นไหวตรงนั้นแหละทั้งๆ ท, ที่กิเลสมีอยู่นะแต่ว่าหลักธรรมนี้เข้าสู่ใจแล้วไม่หวั่นไหวเลยเชื่อแน่ต่อมรรค น, นิภานกล้าหาญตั้งแต่นั้นมาไปได้หลักเกณฑ์อันใหญ่หลวงที่ท่านสาเรกาเมื่อท่านได้เล่าถวายท่านอาจารย์มั่งแล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 ท่านรู้ในหลักปัจจุบันใช่ไหมนี่ไปคว้าหาที่ไหนอีก พิจารณาอริยสัจกล่าวโดยสรุปถึงวิธีพิจารณาอริยสัจ ท, ท่านกล่าวไว้ดังนี้ฟัญญานี้มีหลายขั้นตั้งแต่ขั้นอสุภะอสุพังไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงอนิจจังทุกขัง อนัตตาทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดปัญญาจะเดินตลอดทั่วถึงไปหมดเช่นรูปขันที่เห็นว่าเป็นของสวยงามน่ารักใคร่ชอบใจน่ากำนัดยินดีนี่เป็นความสำคัญของกิเลสที่เสี้ยมสอนมาแต่การไหนๆทําสัตว์โลกให้ตื่นให้หลงอยู่ไม่มีวันอิ่มพอ ปัญญาจึงต้องสอดแทรกเข้าไปตรงนั้นแก้ความที่ว่าสวยงามมันสวยงามยังไงดูให้เห็นแต่เวลาพิจารณาเข้าไปที่ไหนที่ไหนที่ว่าสวยงามไม่มีปรากฏมีแต่อสุภะอสุพังเต็มเนื้อเต็มตัวทำไมจะทนต่อความจริงได้ต้องยอมรับว่าหาความสวยงามไม่มีในสกลากายนี้ เมื่อเลื่อนจากรูปประคันนี้ไปแล้วมักจะพิจารณาเป็นไตรลักษณ์เพราะสิ่งเหล่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุภาษสุภะซึ่งมีเฉพาะเรื่องกายนี้เท่านั้นที่สําคัญมั่นหมายไปต่างๆจึงต้องแก้ความสําคัญมั่นหมายว่าเป็นของสวยงามนั้นด้วยการพิจารณาอสุภะสุภัง พอขั้นนี้สมบูรณ์ภายในจิตใจคือประจักษ์กับปัญญาอย่างชัดเจนแล้วย่อมปล่อยวางทั้งสุภะคือความสําคัญว่าสวยว่างามด้วยทั้งอสุภะที่สําคัญว่าไม่สวยไม่งามด้วยไม่สนใจยึดในเงื่อนใดเงื่อนหนึ่งพอตัวในการพิจารณาแล้วผ่านไปในท่ามกลางแห่งความพอดีของตัวเองนั่น นเรียกว่าปัญญาผ่านไปนั้นแล้วไปพิจารณาอะไรก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นั่นขันละเอียดเรียกว่านามะขันนามะขันนี่พิจารณาด้วยไตรลักษณ์คืออนิจจังก็ตามทุกขังก็ตามอนัตตาก็ตาม ขอให้มีความถนัดชัดภายในจิตใจถนัดใจแน่ใจในอาการใดชอบในอนิจจังก็ดีในทุกขังก็ดีในอนัตตก็ดีพิจารณาอันนั้นส่วนใดส่วนหนึ่งได้หากวิ่งถึงกันหมดเพราะทมเหล่านี้เกี่ยวโยงกันนี่เรียกว่าปัญญา อย่างทราบตามความเป็นจริงในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วย่อมปล่อยวางเช่นเดียวกันกับรูปคือรูปกายของเรานี้แล้วก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งห้านี้เป็นอาการอันหนึ่งของจิตเท่านั้นไม่ใช่จิตนักภาวนาจะทราบเองโดยไม่ต้องสงสัยนี่ทราบได้ชัดเจนและ ปล่อยวางได้ตามเป็นจริงลงได้ตามเป็นจริงของมัน รับใช้ครูบาอาจารย์เป็นที่ไว้ใจของครูบาอาจารย์ท่านเคยกล่าวถึงอุปนิสัยในการบำเพ็ญภาวนาของท่านโดยยกเอาเหตุการณ์สมัยอยู่วัดบ้านหนองผือมาเล่าดังนี้ เมื่อมาอยู่บ้านน้องผืออย่างนี้ผมจะเดินจงกรมให้หมูเพื่อนเห็นไม่ได้โน่นต้องเวลาสงัดน4ทุ่ม5ทุ่มล่วงไปแล้วหมู่เพื่อนเงียบหมดแล้วถึงจะลงเดินจงกรมกลางวันก็เข้าไปอยู่ในป่านโน่นถ้าวันไหนออกมาแต่วันเช่น5โมงเย็นออกมาอย่างนี้ก็เข้านั่งสมาธิเสียในกุฏิ จนกระทั่งหมู่เพื่อนเงียบไปหมดแล้วถึงจะลงทางจงกรมเป็นนิสัยอย่างนั้นมาดั่งเดิมไม่ให้ใครเห็นการประกอบความเพียรของเราว่ามากน้อยขนาดไหนแต่ธรรมดาใครก็รู้ทางจงกรมจนเป็นขุมเป็นเหวไปเดินมากจนทางจงกรมเป็นร่องลึกใครจะไม่รู้ เรื่องทุดงขวัตนี้แม้ในช่วงที่ท่านอยู่บ้านน้องผือท่านก็ยังเข้มงวดจริงจังเสมอมาดังนี้อยู่ที่ไหนก็ตามเรื่องทุดงขวัตนี้เราจะต้องเอาหัวชนยางไม่ถอยเลยยืนกระต่ายขาเดียวไม่ยอมให้ขาดได้เลยบินทบาทมาแล้วก็รีบจัดปุ๊บปับ๊บ จะเอาอะไรก็เอาเสียนิดนิดหน่อยๆน่อยเพราะการฉันไม่เคยฉันให้อิ่มในพรรษาไม่เคยให้อิ่มเลยโดยกำหนดให้ตัวเองว่าเอาเพียงเท่านั้นเท่านั้นสักห0เปอร์เซนหรือ 70% เอร์ซนซึ่งคิดว่าพอดีเพราะอยู่กับหมู่เพื่อนหลายองค์ด้วยกันถ้าจะอดก็ไม่สะดวกเพราะการงานในวงหมู่คณะ เกี่ยวข้องกันอยู่เสมอเราเองก็เหมือนเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งอย่างลับๆทั้งที่ไม่แสดงตัวทั้งนี้เกี่ยวกับการคอยดูแลความสงบเรียบร้อยของหมู่คณะภายในวัดพรรษาก็ไม่มากสิบกว่าพรรษาเท่านั้นแหละแต่รู้สึกว่าท่านอาจารย์มั่นท่านเมตตาไว้ใจ ในการช่วยดูแลพระเนนอย่างลับๆเช่นกันพอบินทบาตกลับมาแล้วมีอะไรก็รีบจัดจัดใส่บาตรเสร็จแล้วก็รีบไปจัดอาหารเพื่อใส่บาตรท่านอาจารย์มั่นหอนั้นหรือหอนี้ที่เห็นว่าเคยถูกกับธาตุขันท่าน เรารู้และเข้าใจก็รีบจัดจัดอันไหนควรแยกออกอันไหนควรใส่ก็จัดจัดเสร็จแล้วถึงจะมาที่นั่งของตนตาคอยดูหูคอยสังเกตฟังท่านจะว่าอะไรบ้างขณะก่อนลงมือฉัน เราพอจัดเสร็จแล้วก็เอาตั้งไว้ลับๆทางด้านข้างฝาติดกับต้นเสาเอาฝาปิดไว้อย่างดีด้วยเอาผ้าอาบน้ําปิดอีกชั้นหนึ่งด้วยเพื่อไม่ให้ใครไปยุ่งไปใส่บาดเราเวลานั้นใครจะมาใส่บาดเราไม่ได้กําชับกําชาไว้อย่างเด็ดขาดแต่เวลาท่านจะใส่บาดเรา ท่านก็มีอุบายของท่านเวลาเราจัดอะไรของท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วมานั่งประจําที่ให้พรเสร็จตอนทําความสงบพิจารณาปัจเวกคณะนั่นแลท่านจะเอาตอนเริ่มจะฉันท่านเตรียมของเส บ, บาตไว้แต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แหละแต่ท่านไม่ใส่ซ้ําๆซับซ่านนี่ท่านก็รู้เหมือนกันท่านเห็นใจเรา บทเวลาท่านจะใส่ท่านพูดว่าท่านมหาขอใส่บาทหน่อยท่านมหาขอใส่บาทหน่อยสัทธามาสายสัทธามาสายท่านว่าอย่างนั้นมือท่านถึงบาทเราเลยนะตอนเราเอาบาทมาวางข้างหน้าแล้วกำลังพิจารณาอาหารนี่แหละเราเองก็ไม่ทราบจะทำอย่างไรเพราะความเคารพ จำต้องปล่อยตามความเมตตาของท่านเราให้ใส่เฉพาะท่านเท่านั้นนานๆท่านจะใส่ทีหนึ่งในพรรษาหนึ่งๆจะมีเพียงสามครั้งหรือสี่ครั้งเป็นอย่างมากท่านไม่ใส่ซ้ำๆซักซากเพราะท่านฉลาดมากคําว่ามัชชีมาในทุกด้านจึงยกให้ท่านโดยหาที่ต้องติดไม่ได้ การปฏิบัติต่อท่านอาจารย์มั่นนั้นท่านก็พยายามใช้ความสามารถอย่างเต็มกำลังสติปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างเฉพาะอย่างยิ่งในระยะห้าพรรษาสุดท้ายที่อยู่กับท่านอาจารย์มั่นที่บ้านหนองผือในเรื่องนี้หลวงปู่ล่าเขมปะปตโตซึ่งได้อยู่ร่วมจำพรรษากับท่านอาจารย์มั่น ในช่วงนั้นด้วยได้เคยเล่าเกี่ยวกับความเอาใจใส่และความเคารพบูชาของท่านที่มีต่อท่านอาจารย์มั่นว่าในยุค บ, บ้านหนองผือพระอาจารย์มหาหลวงตามหาบัวลึกซึ้งมากทุกวิถีทางหลวงผู่มั่นไว้ใจกว่าองค์อื่นๆในกรณีทุกๆด้าน ควรจะเปลี่ยนไตรจีวรผืนใดผืนหนึ่งก็ดีหรือครบทั้งไตรก็ดีหรือสิ่งใดที่ควรเก็บไว้เป็นพิเศษเฉพาะองค์หลวงปู่ก็ดีในด้านจีวรและของใช้เป็นบางอย่างตลอดทั้งเพศเป็นหน้าที่ของท่านอาจารย์มหาทั้งนั้นเป็นผู้แนะนําให้คณะสงฆ์รู้ความหมายรับหลังหลวงปู่มั่นทั้งนั้น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 ความละเอียดละอ่อเกี่ยวกับการเฝ้าสังเกตการขบการฉันของท่านอาจารย์มั่นนั้นหลวงปู่ล่าก็ายังเคยกล่าวชื่นชมท่านไว้ว่าพระอาจารย์มหาเวลาอยู่กับหลวงปู่มั่นคงจะนึกอยากจะเว้นอาหารอยู่แต่มีเหตุผลในใจว่า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 เราจะสงวนรู้ว่าหยิบอะไรบ้างเพราะเราเป็นห่วงองค์ท่านมากเมื่อองค์ท่านฉันได้บ้างเราก็พลอยเบาใจและด้วยเหตุนี้เองเมื่อมีโอกาสจำเป็นต้องลาองค์ท่านอาจารย์มั่นเพื่อไปธุระที่จังหวัดอุดรธานีชั่วคราวหลังจากเสร็จธุระแล้วขากลับ ท่านจะพยายามจัดหาเอาของใช้ของฉันที่อุดรธานีที่ถูกกับธาตุกับขันขององค์ท่านเพราะท่านคอยสังเกตอยู่ตลอดจนรู้ว่าอันใดองค์ท่านฉันได้สะดวกธาตุขันท่านก็จะเอาใส่เข่งใส่เข่งเต็มเอียดเลยแล้วให้เนนแกงหม้อเล็กๆถวายองค์ท่านวันละหม้อเป็นประจำ โดยมิให้ท่านอาจารย์มั่นทราบซึ่งต่อมาภายหลังท่านอาจารย์มั่นก็ทราบและได้ห้ามปรามแต่กระนั้นก็ตามด้วยความเคารพรักและเป็นห่วงในท่าขันของครูบาอาจารย์ซึ่งล่วงเลยเข้าสู่วัยชารามากแล้วท่านก็หาอุบายวิธีทําถวายท่านอาจารย์มั่นจนได้ คอยใส่ใจคอยสังเกตถึงการขบการฉันยูกยาผ้านุ่งผ้าหม่มบริขารและเครื่องใช้ไม้สอยทุกสิ่งทุกอย่างของท่านอาจารย์มั่อย่างตั้งอกตั้งใจจดจ่อด้วยความพินิษพิจารณาอย่างที่สุดเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายแก่ธาตุขันธ์ร่างกาย ของท่านอาจารย์มั่นมากที่สุดความเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียหรือทุกยากลำบากส่วนตนนั้นท่านไม่ถือเป็นประมาณหรือเป็นปัญหาอุปสรรคยิ่งกว่าการให้ครูบาอาจารย์ได้รับความสะดวกเรียกได้ว่ายามใดที่ท่านอยู่ยามนั้นครูบาอาจารย์ก็เบาใจ